ธรรมชาดกแผ่นที่สลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่21มีนาคม2548มีชื่อเรื่องว่าบินไม่ขึ้นวันนี้เป็นวัน ปฏิบัติธรรมของพวกเราอีกวันหนึ่งการปฏิบัติธรรมการให้อาหารทางจิตใจถ้าจะพิจารณาดูแล้วก็ไม่แพ้อาหารทางร่างกายเหมือนกันแต่ถ้าอาหารทางร่างกายเราก็ให้อย่างหนึ่งแต่อาหารทางจิตใจเราก็ให้อีกอย่างหนึ่ง ถ้าว่าเราอยากจะให้ร่างกายของของเราแข็งแรงมีกําลังมีกําลังวังชาเราก็ทานอาหารให้ครบหมู่จากนั้นก็ออกกําลังกายฟิตออกกําลังกายมากๆอันนี้แปลว่าเพิ่มกำลังกำลังให้แก่ร่างกายแต่ส่วนจิตใจนั้น เราจะไปฟิดอย่างนั้นไม่ได้เราต้องทำจิตให้สงบท่านอยากจะให้ใจมีกำลังแต่ถ้าหากว่าใจคิดปุ่มฟุ้งมากๆแปลว่าใจหมดกำลังใจว้าเวิดใจเงียบเหงาใจคิดออกไปนอกรู น, นอกทางผลที่สุดก็ใจหมดกำลังหมดกำลังใจเพอเพอ เป็นบ้าเอาได้ง่ายง่ายพวกนั้นการที่จะให้กำลังทาง จ, จิตใจคือพยายามทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งให้มีสติอยู่กับตัวเองในอริยาบทสยืนเดินนั่งนอนทำอะไรให้มีสติกำกับการพูดการเดินการไปการมาการเคลื่อนไหวทุกอริยาบทให้มีสติก่อนจะหลับจะนอนก็ให้มีสติ ตื่นขึ้นมาให้มีสติอันนี้คือให้กําลังทางใจถ้าใจจะมีกําลังได้ด้วยสติพยายามไม่ให้ออกนอกรูนอกทางอันนี้คือการให้กําลังทางใจตรงกันข้ามกับให้กําลังทางกายการให้กําลังทางกายทานอาหารให้ครบหมู่เพียงพอจากนั้นก็ออกกําลังกายวิ่ง อย่างที่พวกเขาออกกำลังกายมีหลายวิธีจากนั้นร่างกายก็ออกมีกำลังแต่จะให้กำลังทางจิตใจนั้นอีกอย่างหนึ่งเพราะนั้นที่เราเข้ามาบวชในพุทธศาสนาในครั้งนี้จะถือว่าเรามาให้กำลังใจหรือเรามาหาวิธีหรือหาแนวทาง หรือหาวิธีการหรือมาเรียนรู้เรื่องวิธีการที่จะให้กำลังทาง จ, จิตใจมาศึกษาหาแนวทางที่จะเรียนรู้จะให้กำลังทาง จ, จิตใจพร้อมกันก็ลงมือประพฤติปฏิบัติ ด, ด้วยอันนี้คืออย่างพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาบวชในครั้งนี้ก็เป็นการ มาเรียนรู้การให้กําลังใจคนเราถึงจะทำหน้าที่การงานระดับไหนยอดยาวยนานต่อไปภายภาคหน้า mm hmm. กําลังใจเป็นสิ่งที่จาเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์เราแต่บางคนบางท่าน mm hmm. ก็ไม่ได้ไม่รู้แนวทาง ยึดถือแนวทางหลายๆอย่างแต่บางคนก็มีการแสวงหาทรัพย์จดถามบรรดาศักิ์ภายนอกว่าเป็นแนวทางสำหรับทำให้จิตใจมีความร่มเย็ยนผาสุขแต่อันนั้นมันก็เป็นแนวทางหนึ่งแต่ไม่ใช่แนวทางที่ถาวรเพราะว่าเราได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วถ้าว่า มีการพัดพากมีการจากไปเราก็จะเสียใจยิ่งทุกข์มากไปอีกยิ่งหมดกำลังใจไปอีกหมดอะไรตายอยากในชีวิต เ, เพราะนั้นไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องหนทางที่ถูกต้องคือพระพุทธเจ้าพาดำเนินมา ที่ท่านแนะนําสั่งสอนพุทธบริษัทสี่คือาการทําจิตทําใจเพราะเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจทั้งหมดใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าท่านยกขึ้นมาทีแรกเลยว่ามนโนปุพังก็มาธรมามนโนเสธามนโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จ แล้วด้วยใจเพราะนั้นที่พวกเรามาฝึกหัดปฏิบัติในครั้งนี้ถ้าสรุปแบบรวบรักก็คือว่าเรามามาปฏิบัติเพื่อให้ดูใจตัวเองเพื่อทำสมาธิเพื่อให้รู้ตนตอของเรื่องทั้งหลายทั้งปวงคือใจ ถ้าว่าเราจะไปคิดปรุงเรียนรู้ทั้งเรื่องภายนอกไม่สามารถที่จะรู้ได้มีแต่สมาธิเท่านั้นที่จะจับใจหรือจับตัวผู้รู้ตัวนี้ได้เพราะนั้นท่านจึงให้ปฏิบัติภาวนาทำจิตให้สงบ ทำจิตให้เป็นหนึ่งอนนี้คือแนวทางที่พวกเราได้ลงมือประพฤติปฏิบัติมาครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนมาพวกเราก็ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าในภาคปฏิบัติคือจิตตักภาวนาอย่างที่ได้เรียนให้ทราบการภาวนาเน่ต้องพยายามทําให้สม่ําเสมออย่าไปทําแบบรุ่มๆุมดอนดอน พยายามทําให้สม่ําเสมอนั่นแหละดีที่สุดเป็นหนทางที่ถูกต้องที่สุดเป็นหนทางที่รวบรัดเรียกว่าเป็นผลที่จะได้รับไม่มีทางอื่นที่จะรัดยิ่งกว่าการทําให้สม่ําเสมออย่าให้ขาดเหมือนกับเราปลูกต้นไม้จะทํายังไงจะให้ต้นไม้ได้รับผลดีที่สุดถูกต้องที่สุดเร็วที่สุด อันนี้เราก็ต้องบอกว่าต้องพยายามดูแลใส่ปุ๋ยใส่น้ำพรวนดินรักษาวัชพืชเพิ่จะให้ปกคลุมให้ถูกต้องตามหลักวิชาดูให้ดูแลให้สม่ำเสมอเดี๋ยวต้นไม้ก็ใหญ่ขึ้นถ้าเราถ้าเราดูแลรักษาดีไม่มีวิธีอย่างอื่นที่จะให้ต้นไม้โตเร็ว ดึงยืดขึ้นมาใช้วิธีรีดขึ้นมาใช้วิธีอะไรหลายๆอย่างมีแต่ต้นมไม้มันจะตายเท่านั้นมีทางเดียวคือดูแลรักษาให้สม่ำเสมออันนี้การดูแลจิตใจของเราก็ลักษณะนั้นเหมือนกันพยายามทําให้สม่ำเสมอดูแลอย่าให้ขาดแต่ละวันมีสติอยู่กับตัวเอง อยู่โดยตลอดอริยบทยืนเดินนั่งนอนจากนั้นก็ททำฝึกเข้มเข้มข้นคือนั่งสมาธิได้ยี่สิบสามสิบนาทีแต่ละวันคือให้ทำให้สม่ำเสมอนี่แหละหนทางที่จะทำให้จิตใจของเราได้รับความสงบพร่มเย็นถ้าหากว่าเราทำได้สม่ำเสมออย่างนี้แล้วจิตใจของเราก็จะเข้มแข็ง มีเหมือนกับมีเกาะมีเครื่องป้องกันในสิ่งที่จะมากระทบจิตใจของเราคือสมาธิเป็นเกาะเป็นเครื่องกำบังเป็นเครื่องปกป้องไม่ให้ใจของเราได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะนั่นเรื่องสมาธิที่พระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนให้พวกเรา ปฏิบัติไปนะพวกเราจะรู้ได้โดยตนเองจิตใจของเราจะเข้มแข็งผลที่สุดอะไรก็ได้อะไรก็ได้อที่เป็นธรรมอะไรก็ได้ที่จะไม่ทะเลาะพิวาทการยืดดุ่นต่อกันแต่ถ้าว่าไม่มีธรรมไม่มีเครื่องเหล่านี้เข้ามาสู่จิตใจมันแข็งก็แข็งแบบไม่มีเหตุไม่มีผล อ่อนก็อ่อนจนปวกเปียกไม่มีเหตุไม่มีผลแต่คนมีธรรมในใจความพอดีมันพอมีมารู้จักยืดหยุนรู้จักเข้มแข็งในสิ่งที่เข้มแข็งในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมแล้วเข้มแข็งต้องยึดหลักความถูกต้องแต่บางสิ่งบางอย่างเราก็อ่อนรู้จักผ่อนปลนว่า ง, งั้นเถอะไม่แข็งจนเกินไปไม่อ่อนเกินไป สรุปแล้วก็คือใช้หลักมัตสิมาความถูกต้องเป็นธรรมให้รู้จักใจเขารู้จักใจเราการอยู่ร่วมกันอย่าเอาแต่ใจเราอย่างเดียวไม่ได้ใจเอาแต่ใจเขาตามตใจเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะนั้นเราต้องมองเหตุและผลมองความเป็นธรรมมองความถูกต้องแต่ถ้าว่าใจของเราได้รับการอบรมดีแล้วสม่ำเสมอแล้วโดยมากใจของเราจะกล้า ในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็อรู้สึกอ่อนน้อมต่อผู้ที่ทําถูกต้องหรือ ว, ว่าเป็นผู้มีพระคุณสาหรับเราะแต่ถ้าว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วแข็งเอไม่อ่อนไปตามนั้นไม่อ่อนไปตามกิเลสว่างั้นแตอถ้าเป็นธรรมแล้วตายเป็นตายเดินไปสายนั้นะ แต่ถึงยังไงก็ตามแต่ถ้าว่ามันจะเสียหายก็พร้อมที่จะยืดหยุ่ได้โดยความเป็นธรรมนี่แหละทำโดยมากจะเป็นลักษณะอย่างนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เขามาบวชในพุทธศาสนาในครั้งนี้พวกเราเขามาเห็นพระใน พ, พุทธศาสนาพวกเราคงจะคิดว่าพระคงจะ เรื่องทะเลาะวิวาทกันคงจะไม่มีคงจะมีแต่ศีลธรรมพอพูดขึ้นมาการอยู่ร่วมกันะคงจะมีแต่ศีลธรรมแต่บางครั้งมันมีเหมือนกันนะในครั้งพระพุทธเจ้าของเราขนาดพระพุทธเจ้ายังทรงทรงพระชนอยู่ยังเป็นต้นศาสดาเป็นต้นศาสนาเป็นผู้บัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นผู้บัญญัติธรรมวินยัย ขนาดขณะนั้นพระสงฆ์ยังทะเลาะกันได้เพราะฉะนั้นพระสงฆ์หรือพระเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพระเข้ามาแล้วจะหมดกิเลสไปทีเดียวไม่ใช่นะถ้าว่าไม่มีการชําระไม่มีการขัดเกลว อ, อไม่มีการภาวนาพินิจพิจารณาปล่อยวางกิเลสมันก็ยังยิ่งเพิ่มทวีขึ้น อ, อทิฏฐิพระ ไม่ใช่ของเบาเพราะฉนั้นในครั้งพระพุทธเจ้ามีพระทะเลาะกันมีต่างมากมีเรื่องมากทีเดียวฉันยกตัวอย่างพระอยู่ที่เมืองโกสัมพีสมัยหนึ่งโกสัมพีเป็นเมืองหนึ่งมีพระคณาจารย์อยู่คณาจารย์ละห้าร้อยพระสมัยนั้นเยอะนะ คณาจารย์หนึ่งเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับธรรมะกรถึกคือวิธีการอบรมวิธีการเทศสนาว่าการแต่คณาจารย์หนึ่งเป็นพระวินัยธรสอนเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบเหมือนกับสอนกฎหมายลักษณะอย่างนั้นน่ะ เ, เดีย ว, ว่ากฎหมายของพระเรียก ว, ว่าศินสินของพระท่านเป็นผู้ชำนาญ ในเรื่องอธิกรณ์ต่างๆเรื่องศีลของพระและท่านเป็นผู้เก่งคณาจารย์หนึ่งแต่อยู่ในวัดเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันวันหนึ่งสาเหตุที่แห่งการทะเลาะวิวาทจะเกิดขึ้นคือพระพุทธเจ้าคือสมัยนั้นห้องน้ำเนี่ยส้วมเนี่ย มันไม่เหมือนส้วมซึมอย่างทุกวันนี้มันเป็นส่วมส้มปล่อยมีไม้อยู่ข้างบนสูงๆแล้วก็ขุดหลุมลงไปแล้วก็ถ่ายลงไปในหลุมเมื่อถ่ายเสร็จแล้วก็จะมีกระบอกน้ํากระบอกหนึ่งสําหรับเอาไว้ใช้ชําระความสะอาดของตนเองแต่แตอนนี้น้ําในกระบอกนั้นอ่ะมันก็มีตุ่มน้ํามีขันน้ําหรือว่ามี เครื่องชาระว่างั้นมีกระบอกน้ํากระบอกหนึ่งจะเป็นขันน้ําก็ใช่จะว่าเป็นกระบอกก็ใช่เพื่อชาระล้างตอนนี้พระในคร้างนั้นในบางองค์พ่อเข้าไปชําระล้างแล้วค้างไว้ค้างน้ําไว้ในกระบอกคือไม่คว่ำขันถือว่าเอาเอาขันค้างไว้เทใช้ไม่หมดว่างั้น องที่เข้าไปทีหลังเนี่ก็รังเกียจกว่าเอ็นน้ำเนี่ยสกรปรกหรือเปล่างองค์ก่อนเนี่ยทำไมค้างน้ําไว้อย่างนี้เออกระทาให้มีปัญหาพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็ตําหนิกันว่าน้ําที่ใช้องค์นั้นใช้ก่อนแล้วควรจะเททิ้งคว่ำขันเอาไว้ไม่น่าจะงายไ ม, ไม่น่าจะขังน้ําไว้ในกระบอกเออพระพุทธเจ้าก็บัญญัติขึ้นมาวินัยขึ้นมาเพราะว่าภิกจุใดก็าตามเข้าไปใช้ห้องน้ําแล้ว เอาขันน้ำไปตักน้ำขึ้นมาใช้ถ้าใช้ไม่หมดให้ให้คว่ำขันอย่าไปค้างน้ำไว้ในขันภิกสุใดค้างน้าไว้ในขันปรับอวัตทุ ก, กฎเพราะเป็นการให้ความลำคาญแก่ผู้อื่นให้คนอื่นเป็นภาระสำหรับตนเองในการชัน้ำตัวนั้นจะสะอาดหรือไม่สะอาดเนี่ยพอวินัยละเอียดถึงขนาดนั้นนะ พระพุทธเจ้าบัญญัติถึงขนาดนั้นเหมือนขนาดน้ําจําละตัวเองแตท้ๆพระพุทธเจ้ายังบัญญัติวีไนแต่นี้มีพระท ร, รมกรถึกคือพระนักเทศเนี่ยท่านก็ไม่รู้ที่เป็นหัวหน้าท่านก็เดินเข้าไปไปใช้น้ําไปใช้ห้องน้ําใช้เสร็จแล้วท่านก็ล้างแล้วก็ขันยังขังน้ํำมาอยู่แล้วองค์ที่สองมาคือ พวิ น, นัยรอ น, อนพวินัยทรคือท่านเคร่งทางวินัยเข้าไปในห้องน้ําก็ไปเห็นกระบอกน้ําค้างมาอยู่นี่แหละพวินัยทรเข้าไปในห้องน้ําท่านก็ไปเห็นน้ําค้างอยู่ในกระบอกน้ําค้างอยู่ในขันท่านออกมาท่านก็เลยตําหนิบอกว่าท่านทํามะกะักตึก ท่านรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยตัวนี้วินัยข้อนี้ห้ามน้ําค้างอยู่ในกระบอกพระวินัยพระธรรมกถาถึกบอกว่าไม่รู้ผมไม่รู้เออถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นนาบัติเพราะไม่รู้ออแต่ถ้ารู้แล้วทําเป็นอ้บัติแต่ไม่รู้ไม่เป็นนาบัติเพราะอันนี้ไม่สิกขาบทนี้ถ้าไม่มีเจตนาไม่เป็นอ้บัติ ผมไม่รู้ถ้ารู้แล้วอย่างนี้ถ้าทําอีกต่อไปเป็นอบัตพระวินัยพระธรรมก็ถึอบอกว่าครับผมไม่รู้จริงๆครับท่านทีนี้นพอต่อมาพระวินัยทอนกะ็อยากจะได้หน้าว่างั้นก็ลายไปบอกให้ลูกศิษย์เฮ้ยพระธรรมก็ถืกนะี่ยเป็นคณาจารย์สอนลูกศิษย์ตั้งสี่ห้ารอองค์วินัยแค่นี้ก็ไม่รู้ตัวเองเป็น ต้องถูกเป็นอบัตทุกกฎขังน้าไว้ในกระบอกเพียงแค่นั้นก็ไม่รู้แต่นี้ลูกศิษย์ก็ทางลูกศิษย์ของทำไอวินัยทรนนะี่ก็พูดกันระบาดเลยก็ไปเย้ยหยันทางทำมกติึกเอ้ยอาจารย์ของแกนี่เสอ่อมากโง่มากขณะตัวเองเป็นอบัตก็ยังไม่รู้แต่นี้พวกลูกศิษย์ทำมกติึกไปบูดพ่นอาจารย์ฟังอาจารย์บอกอ้าว พระวินัยทรนะบอกกับเราว่าถ้าไม่มีเจตนาไม่รู้ไม่เป็นอวบเราก็รับบอกว่าเราไม่รู้แต่บัดนี้ทําไมว่าเราเป็นอวบแสดงว่าพระวินัยทอนพูดสับประพูดโกหกเป็นอวบปาจิตติ d, เราเป็นอวบทุกกฎตตน้อยกว่าแต่พระวินัยทรนะพูดโกหกเดี๋ยวกว่าเป็นเดี๋ยวกว่าไม่เป็นเป็นอวบปาจิตติหนักกว่าเราอีก ทีฝ่ายลูกศิษย์ก็เลยบอกว่าพ่ะพินัยทรเป็นอบัติปาจิตตีพ่อพูดโกหกทีนี่แหละพระสองขณาจารย์เนี่ยทะเลาะกันเลยท่นี่นี่แหละพระในครั้งพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเน๊ะไออันนี้ก็คือหลวงพ่อยกตัวอย่างให้ฟังเจ้านั้นก็นทะเลาะกันจนถึงพระพุทธเจ้าไปห้ามไม่ฟังอย่าทะเลาะกันมันไม่ดีการทะเลาะกันไม่ดีหยุดซะ อปณิปนอมกันพระสงฆ์ทั้งสองบอกว่าขอให้พระพุทธองค์อยู่สบายๆพวกข้า พ, พวกข้าพระองค์ทั้งหลายจะรู้กันเองว่าใครจะเก่งกว่ากันใครจะมีวาทะวาทะหักล้างกันเก่งกว่ากันเข้าทํานองที่อคนในชาติทะเลาะกัน่ะเอคนในชาติทะเลาะกันไม่มีใครเสียหาย แต่ชาติเสียหายอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันพระสงฆ์ไม่เสียหายแต่พระศาสนานี่ยศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ท่านปร ะ, ประกาศไว้ดีแล้วเน่ยเสียหายแต่พระสงฆ์ไม่มีใครรู้ออกไปแล้วแต่พระศาสนาเนี่เสียหายนี่อันนี้ท่านไม่ได้คิดนะจากนั้นพระพุทธเจ้าถ้าพวกท่านทั้งหลาย ไม่เชื่อฟังเราเราจากหนีออกจากวัดเมืองโกสัมพีไปองค์เดียวนะไม่เอาพระอนุนไปด้วยท่านก็ออกไปเดินออกไปในนั้นเลยจะไปจําพรรษาข้างนอกเลยปีนั้นพอไปท่านก็ไปเจอกับพระอนุรุทธะกิมพริวัคคุพัทิยะคือเป็นเชื้อพระวง์ของพระพทุทธเจ้าท่านอยู่อีก เมืองหนึ่งเมืองเล็กๆในชนบทพางั้นอพระพุทธองค์เขาแวะเข้าไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ไปแสดงธรรมให้เข้าไปสัมโมนิยกถาเป็นคิดถึงเครื่องรื่นเริงซึ่งกันละการพระพระเหล่านั้นท่านก็เป็นพระอรหันต์หมดแล้วนี่พระพุทธเจ้าท่านก็ไปพักจากท่านท่านก็พูดท่านก็แสดงธรรมให้ฟัง แสดงธรรมในวันนั้นท่านแสดงเรื่องความแตกแยกสามัคคีการแตกแยกสามัคคีกันไม่เป็นผลดีการพระพยาบาทอาฆาตจองเวีนกันก็ไม่เป็นผลดีเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็เลยยกเป็นชาดกขึ้นมาท่านบอกว่าความแตกแยกสามัคคีกันการชิงดีชิงเด่นกัน ไม่เป็นผลดีสำหรับหมู่คณะของเราวงการของเราหรือว่าอยู่ในกลุ่มใดก็ตามถ้าว่ามีความแตกแยกสมัคคีกันไม่เป็นผลดีถ้ามีความพร้อมเพียงสมัคคีกันแล้วเป็นผลดีมีแต่ความร่มเย็นผาสุขท่านก็เลยเล่านิทานเล่าในอดีตชาติท่านยกนิทานเป็นชาดกขึ้นมาในอดีตชาติมีนกกระจาบอยู่ฝูงหนึ่ง มีนกกระจาบฝูงใหญ่อยู่ฝูงหนึ่งไปหากินในท้องนาทุ่งนาเวลาลงไปก็ลงไปพร้อมกันเวลาขึ้นบินขึ้นก็บินขึ้ น, น, นพร้อมกันนายพรานเขาเห็นว่านกกระจาบฝูงนี้มันเยอะเขาเลยไปเอาตาข่ายเอาไป ด, ดักดักนกกระจาบฝูงนี้ว่างนินได้พอนกกระจาบลงไปกินเขาไป ชักตาข่ายเพื่อจะจับนกรบนกระจานกกระจาดฟูงนั้นมีหัวหน้าอยู่ตัวเดียวหัวหน้าอะไรสั่งลูกน้องพร้อมกันเลยบอกว่าพวกเราบินคือมันขึ้นพร้อมกันตาข่ายของนายพานขึ้นไปอยู่บนยอดไม้แล้ว่างั้นพราะกำลังมันมันพร้อมมันเพียงพอ นกกระจาบฝูงใหญ่พอต่อมานกกระจาบฝูงนั้นมันแตกกันมาดแย่งกันเป็นใหญ่เป็นสองหัวหน้าไม่ลงรอยกันเวลาหัวหน้าหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่งหัวหน้าข้างหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่งพอต่อมานกกระจาบฝูงนั้นลงไปกินในท้องนาทุ่งนาทุ่งหญ้ากว้างอย่างเก่าวนั้นพอจากนั้นนายพรานก็เอาตะข่ายไปดัก เพราะนายในพานเนี่ยดักตาข่ายเนี่เสียตาข่ายไปหลายครั้งแล้วงั้นแต่จับไม่ได้แต่เขาเนี่นก็เป็นดักอีกพอไปจับแต่นกกระจับมันแตกกันเป็นสองฝูงมานี่ยพอนายพานชักตาข่ายปุ๊บ อ, อ่มันก็ค่อมนกทั้งฝูงเหมือนกันแต่นี้นกฝูงหนึ่งมันแตกขามาคีกันบอกว่าพวกฝูงใหญ่ก็อา้าพวกเราบิน บินขึ้นไปมันก็บินไม่ได้เพราะว่าฝูงฝูงหนึ่งไม่ช่วยพอฝูงหนึ่งบินหมดกำลังแนฝะูงนี้ว่าเอา้าฝูงนั้นไม่ได้เลือกเอาพวกเราบินบินก้อนขึ้นมันก็ไม่ขึ้นอีกเพราะว่ามันแตกเป็นสองฝูงมันกำลังไม่พอกำลังนกทั้งหลายกาลังถกเถียงกันอยู่พอดีพอดีกับนายพรานมาถึงผ่านตะข่ายมาถึงผ่านนกมาถึง เขาก็ลวบตาข่ายเข้าใส่กันแล้วก็ น, นกฝูงนั่นก็อยู่ในตาข่ายทั้งหมดเหมือนกนผลที่ฉุดนายผ่านตาข่ายผ่านนกก็เลยไปจัดการซะเอาทอดใส่กระทะะเกี้ยงทั้งฝูงเหมือนกนนี่แหละความแตกสามัคคีกันจิบหาย พระพุทธเจ้าท่านเทศนาให้แก่กลุ่มพระอมุรุทัที่อยู่ด้วยกันสามสี่ห้าองค์แต่นั้นท่านก็พูดอีกว่าตัดอีกว่าการจองเวรกันก็ไม่เป็นผลดีสมัยหนึ่งมีหมีตัวหนึ่งอยู่ในป่าหากินอยู่ในป่า วันหนึ่งหมีตัวนั้นไปนอนอยู่ที่โคลนต้นไม้สะคอนกันคือเป็นไม้ชนิดหนึ่งพอไปนอนกําลังเคลิ้มๆจะหลับกิ่งไม้คอนะกิ่งไม้สะคอนะกิ่งแห้งนะมันเลยหลุดมันหักเหมือนกันหล่นลงมาถูกหัวหมีหมีตัวนั้นก็โกรธโมโหให้ต้นสะคอบอกเอาเถอะมัน เก่งไม้ทำไมหล่นใส่หัวเราถ้าว่าเรามีโอกาสเราจะต้องโค่นไม้ขอไม้สขอตัวนี้แน่นอนเพราะหมีมันโกรธเพราะงั้นดะหมีกรเด็นหนีไปนอนอีกที่อื่นในวันนั้นมีนายช่างนายช่างที่จะทำที่จะทารถเพราะงั้นดะช่างที่จะทำรถเดินเข้าไปในป่า เพื่อจะไปหาแอกรถมาทำใส่รถของตนเองเขาก็เดินเดินเข้าไปในป่าพร้อมกับทัพผสมพระมีขวานมีเลื่อยมีสเสบียงอาหารไปเพื่อจะไปเอาถาไม้เพื่อจะทำเป็นแอกรถงอนรถเนจะเดินไปหมีก็เห็นเห็นคนเข้ามา ก็เลยพูดเป็นภาษาคนขึ้นว่าบอกว่าท่านมาอะไรบอกว่ามาต้องการไม้จะทําเป็นแอกรถงอนรถมีก็เลยพูดว่าไม้อยู่ในป่านี้ไม้สะคอเนี่ยเป็นไม้ที่เนื้อแข็งที่สุดคงทนที่สุดถ้าว่าท่านจะเอาไปทํางอนรถนั้นไม้สะคอเนี่ยแหละเป็นไม้เนื้อแข็งนั่นแหะต้นนั่นน่ะ ทำเป็นแอกเป็นงอนรถได้คนก็เห็นว่าหมีพูดภาษาคนได้คนก็เลยเด่งไปหาต้นไม้ต้นนั้นก็เลยไปตเตรียมที่จะตัดโคนต้นไม้ลงทีนี้ลูกคะเทวดาอยู่ที่โคนอยู่ที่ต้นไม้สะขาต้นนั้นก็บอกเอหมีเนี่ยทำไมยังมาบอกให้มาตัดบ้านของเรา ธรรมดาไม้กิ่งไม้ถ้าไม่หล่นลงดินมันจะหล่นไปที่ไหนอันนี้หมีมันมานอนก็ทำธรรมดากิ่งไม้มันก็ต้องหล่นลงดินในเมื่อไปถูกหัวหมีแล้วหมีจะมาผูกอาฆาตอย่างนี้มันไม่ถูกนะอันนี้มันหมีผูกอาฆาตให้ช่างงอนรถมาตัดบ้านของเราเอาเถอะถ้าข้ามีโอกาสข้าจะต้องจัดการหมีตัวเนี้ให้ได้ลุกขาดเทวดาก็จองเวรอีกว่างั้น ผลที่สุดเขาก็ไปโค่นไม้ตัวนั้นลงพอถากไม้จวนจะเสร็จงั้นแต่กำลังเป็นรูปเป็นร่างที่จะทำเป็นงอนรถลุกขะเท ว, วดานี่ไนิมิตเป็นค น, นไปบอกกับช่างบอกว่าช่างท่านมาทำอะไรบอกว่าทำแอกรถงอนรถเพื่อจะเอาไปใส่ในรถข้าพระเจ้า ท่านอยากจะให้งอนแอกรถของท่านสวยไหมยอยากจะให้สวยถ้าจะให้สวยนะเนี่ยเอาหนังหมีเนาะหุ้มงอนรถของท่านเนี่ยจะสวยงามมากดำมืดเลยว่างั้นเอาหนังหมีหุ้มเลยเอา้าจะหาได้ที่ไหนหนังหมี เ, เอา้าเนี่ยมันนอนอย่ด้านไหนนะไปย่องย่องไปเอาขวานสับหัวมาเลยเดี๋ยวนกักลอกออนหนังมันมาหุ้มงอนรถก็ได้แต่นี้ อช่างงอนรถเออจริงว่าเกิจากนั้นก็เดินไปหมีพอบอกว่าให้คนตัดไม้น่ะเกิสบายอกสบายใจว่าพอได้แก่แคนแล้วว่าไม้ตกหล่นใส่หัวตัวเองเหรอเออนอนแบบสบายใจว่านั้นอืมแต่ที่ไหนได้ อ, อช่างคนนั้นก็เดินย่องไปกับขวานสับหัวหมีเลยเ อ, อจากนั้นก็ลอกหนังหมีเออ แล้วก็เอาใส่งอนรถเข้าไปในบ้านเหมือนกันเด่นี่แหละชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการผูกพยาบาทอาฆาตจองเวียนจีบหายทั้งสองทางเพราะนั้นอย่าไปผูกพยาบาทอาฆาตกันให้อภัยกันดีที่สุด น, นิดๆหน่อยๆให้อภัยกันแต่ถ้าว่าจองร่างจองเวีนกันจองร่างจองผานกันจิบหายทั้งสองฝ่าย ความแตกแยกสมามัคคีกันกีบหายทั้งกลุ่มอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้แต่บางคนบางท่านก็เอา้าทำไมหมีพูดได้อันนี้เราอย่าไปคิดคือเราพูดเอาสาระขึ้นมาเนื้อหาสาระอ การแตกแยกสัมมาคีการการพยาบาทองอาฆาตจองเวรกันมันจีบหายอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้จากนั้นพระพระพุทธเจ้าออกจากเสด็จจากที่นั่นไปท่านก็ไปจําพรรษาอยู่ที่ป่าเลไลที่พวกเราเห็นช้างกับลิงปนนิบัติพระพุทธเจ้านั่นแหละปีนั้นพระพุทธเจ้าจำพรรษาพระองค์เดียวมีช้างกับลิงเป็นผู้ปฏิบัติตรอดไตรมาศสามเดือน ขนาดนั้นเป็นศาสดาต้นศาสนาถ้าเห็นลูกศิษย์ลูกหาทะเลาะกันเนี่ท่านหนักใจถึงขนาดนั้นแหลอท่านไม่ใช่สบายใจนะที่เป็นหัวหน้าพ่อแม่ก็เหมือนกันถ้าววัดลูกไม่อยู่ในโอวาตรพ่อแม่ก็หนักใจอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านหนักใจนั่นแหะเพราะนั้นพวกเราที่เป็นลูกทั้งหลายที่มีพ่อมีแม่มีวงศาระญาติจะทําสิ่งใดต้องคิดให้รอบคอบอย่าไปเอาแต่ใจตัวเอง ถ้าเป็นเอาแต่ใจตัวเองอย่างว่านีน่นะความผิบหายวายพวงก็จะเกิดขึ้นพ่อแม่ก็เป็นทุกข์อกทุกข์ใจกับเราเพราะนั้นอย่าให้ท่านทุกข์ใจกับเราให้เราระลึกถึงพระคุณของท่านไว้อยู่เสมอสิ่งไหนที่พอจะยืดหยุ่นได้ก็เอาพยายามยืดหยุ่นสิ่งไหนที่ที่จะทำคุณงามความดีเลเอาพยายามทำอย่าให้ใครเป็นหนักอกหนักใจกับเรา พอเราเป็นผู้ใหญ่มาแล้วเราพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขจะให้ได้อย่างใจเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปไม่ได้จะให้อย่างได้อย่างใจของทุกทุกคนเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องยืดหยุ่นในการเป็นอยู่ในการดารงชีพของเราเพราะนั้นพวกเราเป็นชาวพุทธนะพุทธะแปลว่าผู้รู้เป็นผู้ฉลาดต้องใช้ความ รู้ตอนใช้ความสะอาดเป็นเครื่องปรับปรุงแก้ไขตัวเองชีวิตของเราก็จะราบรื่นเรียบร้อยดีงามไม่มีอุปสรรคใดๆทางด้านจิตใจก็ฝึกฝนอบรมไว้อยู่เสมอการเป็นอยู่ภายนอกเราก็พยายามปรับปรุงแก้ไขมีคุณธรรมในจิตใจมีความพร้อมเพียงสมัครีในกลุ่มในหมู่ในญาติในครอบครัว จากนั้นกน็การเป็นอยู่ในเพื่อนมนุษย์ชาติเราก็ไม่มีการพยาบาทอาฆาตจองเวียกับใครๆทั้งหมดให้อภัยให้มีเมตตาเมตตากรุณามุทิตาพร้อมกันก็อุเบกขาไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ผูกอาฆาตพยาบาทจองเวียนใครทั้งหมดให้อภัยพร้อมที่จะให้อภัยแก่ทุกคนถ้าเป็นภาระชน ถ้าจะเป็นพิษเป็นภัยพยายามหลีกหนีหนีให้ห่างอย่าไปคบค้าสมาคมกับภารชนหนีช้างหนีหมาหนีสัตว์ร้ายหนีให้พ้นอย่างหมาไล่กัดแน่ยก็วิ่งขึ้นบันไดสองสามขั้นหมาก็ขึ้นไม่ถึงท่านหนีช้างก็ขึ้นต้นไม้หลบเข้าไปในถ้ำหนีสัตว์ร้าย หนีพ้นแต่หนีคนพาลนะให้หนีจนสุดฟ้าเขาเขียวออถ้าคนพาลชนละให้หนีให้ไกลอย่าไปคล้องแวะอย่าไปสนทนาด้วยอย่าไปพูดด้วยพยายามหนีให้ห่างให้ห่างไกลอย่าไปคบค้าสมาคมถึงจะอยู่ใกล้ก็ทําใจให้ห่างให้อยู่คนละจักรวาลนะเหมือนนั้นแหละนี่แหละหนีคนพ า, นะพาลเนี่ยพารชนให้หนีไกลฮะ เหมือนกันหนีความชั่วในใจของเรานะั่ยนะความชั่วในใจของเราพยายามหนีให้ห่างสิ่งไหนที่เป็นความชั่วเราจะไปคิดทำํำถ้ามันจะคิดกินเหล่าเมายาสุรานารีสิ่งไหนที่มันออกนอกลู่นอกทางพยายามหนีให้ห่างกิเลสตัวนั้นอันนั้นคือพาเป็นภาระชนะตัวนั้นจะทําให้เราจิบหายเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆคนนะอนาคตยังกล้าวไกลอายุอนาคตยังไกล ที่พวกเราจะได้จะต้องต่อสู้ไปอีกนมนานถ้าเราทําตัวไม่ดีและอนาคตมืดบอดแน่นอนแต่ถ้าหาว่าเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเอาก็ทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบเป็นฉบับเป็นบรรทัดฐานเป็นกระจกส่องเงาอยู่ตัวเองอยู่เสมอพวกเราจะได้รับความร่มเย็ยนผาสุขตลอดไปนะวันนี้ได้พูดเบื้องต้นเรื่องสมาธิ การดูจิตใจของตนเองอาหารกายอาหารใจการปรับปรุงแก้ไขกายใจคนละอย่างกันและต่อมาก็เลยพูดเกี่ยวกับการเป็นอยู่การวางตัวการมีในอยู่ในเพื่อนมนุษย์ชาติความมีการอยู่ด้วยกันด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีทางระสงค์อยู่ด้วยการพร้อมด้วยความพร้อม พร้อมเพียงสมัครีท่านว่าสังฆะสังฆะโสมนาความพร้อมเพียงของสงเกิดสุขใช่ไาเราเป็นครวัตก็เช่นเดียวกันแต่เรามีความพร้อมเพียงสมัครีในหมู่ในคณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวของเราในวงศาคณาญาติของเราครอบครัวของเราวงสาระคณาญาติของเราก็จะได้รับความร่มเย็นผาสุขเพราะมีความพร้อมเพียงสมัครี เอาใจเขาใส่ใจเราเอาใจท่านมาใจใจเราใจเราไปใส่ใจท่านามีความอด อ, อ่อนน้อมถ่อมตนรู้จกักการปรับปรุงแก้ไขการเทสะบุคคลพวกเราก็จะได้รับความลมเย็ยนผาสุกตลอดไปอตอนนี้ไปก็ฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาสักกันหนึ่ง